2พฤษภาคมพุทธศักราช2557นั่นลูกหลานคณะัทธาญาติโยมวันพุ่งนี้ก็หลวงพ่อคงจะไปทุระที่อุดรแต่วันนี้ก็ว่างอยู่มันเนี่ยตั้งแต่ช่วงวันที่27มานะรู้สึกว่าหลวงพ่ออ่ อ, อน หยวเย็ยบพอสมควรอยู่งานวันนั้นน่ะขนเยอะเหลือเกินแต่จะทํำยังไงได้อย่างที่หลวงพ่อเคยบอกกับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานพระเนนทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้เชยเชิญไม่ได้นิมนต์แต่ก็มาเองได้มาแล้วก็ต้องเราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องใจกว้างต้องต้ อ, ตอนรับขับสู้แขก ค, คนที่มาด้วยน้ําใจ อย่างที่หลวงพ่อพูดก็อย่างที่พวกเราเห็นอีกต่างหากีนะ่เราก็ไม่ได้ดีกานนมนุ์พระสงฆ์เราก็ไม่มีบัตรเชิญเชิญวันเกิดหรือว่าจัดงานวันเกิดแต่ก็มาเองไปเองมาเองผ่านไปเองแต่ดูแล้วก็ผีน้องลูกหลานที่เขามาวันนั้นก็มืดฟ้ามัวดิน เยอะแต่ก็ผ่านไปด้วยดีอาจจะว่าไปแล้วก็พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมมาด้วยน้ำใจมาด้วยน้ำใจแล้วก็ไม่มีเรื่องราวที่จะทำให้หนักกหนักใจถ้าว่าตามปกติคนมามากถึงขนาดนี้จะต้องมีการ กดกระป๋องกีดกระเป๋าอะไรลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่มีก็คงมิจฉาชีพมันคงจะยังไม่รู้มัง้งยังไม่ตื่นแต่ถึงยังไงก็อยากให้มันมากำกายเรากำกายถิ่นของเราเพราะว่าถิ่นของเราเป็นดินแดนดินแดนธรรมะหลวงพ่อเองมีแต่บอกกล่าวแนะนําสั่งสอนลูกหลานให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมให้มีคุณ นิำธรรมศีลธรรมในจิตในใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้รักเคารพเมตตาต่อกันให้มีน้ำใจต่อกันการอยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่ พ, พี่น้องน้องลูกห ล, ล, ล, ลานมีอะไรที่หนักหนาก็ปรึกษาหารือหารือกันหาทางออกร่วมกันไม่ใช่จะมาเบียดเบียน หลังแกเอารัดเอาเปรียบพี่น้องปราชาชนด้วยกันควรจะรักเมตตากันหลวงพ่อม่ตรสอนลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ในถิ่นของเราก็ที่ผ่านๆมาอย่างคนทางนอกเขาก็มองว่าดินแดนธรรมะ ตั้งแต่อําเภอบ้านผือเข้ามาน้ำสมนายุงแต่หลวงพ่อมองมองดูแล้วก็มีส่วนเหมือนกันนะทําไมว่ามีส่วนถ้าหว่าเขาในมลพระสงฆ์ก็ว่าเกจิเกจิคืว่าเป็นพระผู้ใหญ่เข้าไปในอุดอรเนี่ยหลวงพ่อก็มองมองดูจะเป็นพระอําเภอบ้านผือน้ำสมนายุงจะเป็นส่วนใหญ่ จะเป็นพระกรรมฐานพระเทระผู้ใหญ่โดยผู้มีอายุพรรษาเนี่ยโดยมากจะเป็นในถิ่นของเราในถิ่นนี้เพราะนั้นเขาว่าดินแดนธรรมะของอุดรหลวงพ่อเขามีส่วนเหมือนกันนั่นแหละแต่ถึงยังไงมีแต่พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็สอน สินธรรมให้กับพี่น้องประชาชนแต่หลวงพ่อฟังฟังดูอย่างที่อำเภอบ้านผือเหมือนกันนะศูนย์การค้าก็ะทำถามดูว่ามีอะไรไหมในการทำมาค้าขายเรียกว่าขโมยโพยโจรเขาว่าดีน ะ, ะวาวดีที่ผ่านผ่านมาก็รู้สึกว่าลักเล็กขโมยน้อยก็ไม่ไม่ค่อยมีเหมือนกับทินอื่น เพวงพว่าดินแดนแห่งธรรมะนี่การพูดการแสดงระหว่าการแนะนำบอกกล่าวพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานเป็นนา ม, มาธรรมก็จรงิงแต่มันก็เป็นแสดงออกมาเป็นรูปประธรมรมคล้ายๆว่าถ้าเราไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนำสั่งสอนไม่ต่างคนก็ต่างนิ่งต่างคนก็ต่างอยู่มันก็ มันไม่ออกมาเป็นเป็นการแนะนำสั่งสอนไม่เป็นนามธรรม เ, เมื่อนามธรรมบอกกล่าวไปแล้วก็เป็นรูปธรรมขึ้นมาความร่มเย็นผาสุขความร่มเย็นเป็นสุขการอยู่ด้วยกันมีมีน้ำใจมีเมตตาต่อกันมันก็เกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราน่นละหลวงพ่อว่าที่หลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ สมัยก่อนไม่แต่ท่านแนะนำสั่งสอนลูกหลานพี่น้องประชาชนให้รู้จกักศีลให้รู้จักธรรมแต่พวกบางกลุ่มบางคนที่เป็นไม่เข้าใจเนี่ยสรุปแล้วก็คือภาระชนคนที่ไม่สนใจเขาก็ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นกาฝากเกาะชุมชนเกาะสังคมแต่เขาหารู้ไม่ว่า พระสงฆ์นี่แหละคือหมอจิตเวทหมอจิตเวทรักษาทางจิตใจของพี่น้องประชาชนคนไทยต่างประเทศเขาไม่มีพระเนี่ยหมอจิตเวทโหคิดราคาไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันถ้าเราฟังฟังดูสิศึกษาดูแต่เมืองไทยของเราเนี่ยหมอจิตเวทโดยมากขายยากไม่ค่อยออกเพราะอะไรก็เพราะพระสงฆ์ ในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านแนะนำสั่งสอนทางแนวความคิดให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาเนี่ยจะได้ฟังจะได้ศึกษาเรื่องจิตแพทย์หรือจิตเวชหรือแนวความคิดคิดไปทำไมทุกไปทำไมเพราะอีกสักวันหนึ่งทุกคนมันก็จะเป็นอย่างที่เราเจอเราพบเราเห็นนี่หละ อีกสักวันหนึ่งเขามาเจอกับเราอีกต่างหากโลกนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้นะโลกนี้แก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาแต่เราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อธรรมชาติธรรมดาเหล่านั้นอย่าไปทุกข์จนเกินไปอย่าไปร่าเริงสนุกสนานเพลิดเพลินเกินไปเราควรจะทำใจอย่างไงควรจะวางตัวอย่างไง วนปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้ก็คือหลักทมคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านให้สรุปแล้วคือคือไม่ให้ลืมตัวให้มองมองตนเองอยู่ตลอดให้รู้จักประมาณตนพอโลกก็นี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละเกิดขึ้นมาแล้วก่อนแก่เจ็บตายถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยมียศถาบรรดาศักด์ชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนก็เถอะ แล้วก็จบเป็นคนๆคนๆไปเหมือนกันเราก็เหมือนกันไม่แพ้ใครอื่นไม่แพ้คนอื่นเขานะแต่ว่าเมื่อไปแล้วไปที่ไหนนี่แหละจุดนั้นแหละสําคัญในหลังในทางพระพุทธศาสนานะถ้าถึงจุดจบแล้วจะไปไหนจุดนั้นนะเป็นจุดที่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญอย่างมากจุดนั้นนะที่ว่าเมื่อ ดับขันแล้วก็ปรินิพานอันนี้คือพระพุทธเจ้าเมื่อร่างกายแตกตายลงไปแล้วเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานอันนั้นก็คือพระหัน์แต่เมื่อตายไปแล้วไปสู่พรมพระอนาคามีพรมสุทธวาฏห้าชั้นเมื่อตายไปแล้วไปสู่สวรรค์พระสักคาคามีพระโสดาบัน ตัวเมื่อตายไปแล้วไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ไปในทางที่ดีเกิดเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจยศยธรรมตระกูลที่ดีอันนั้นก็คือไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงไปตกนรกหกไหมก็มีไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชาตนานาชนิดก็มีสิ่งเหล่านี้คือเมื่อเรา ย้ายพบชาติจากเป็นมนุษย์นี่แล้วจะไปไหนจุดนั้นเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดสำหรับตนเองวางแผนสำหรับตนเองในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเห็นหมูเห็นหมูท่านก็ยังบอกโอ้หมูตนนัวนี้จากไหนมาเกิดนี่มาจากพรหมพวกนะ่ะมาจากพรหมมาโลกยัง ม, มาเกิดเป็นหมูอีก เพราะอะไรเพรออกจากพรมลงมาแนละ้วมันสับสนอพอมันสับสนเนี่ยกิเลสกามรมาลาคะมันวิ่งเข้ามาครองในช่วงนั้นนะปั่นป่วนลงไปเกิดมันมันเกิดเป็นหมูมันหาที่เกิดไม่ได้เออนี่แหละผลที่สุดออกจากหมไูไปเกิดที่อื่นสูงส่งขึ้นผลที่สุดท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะได้เจ็ดชาติ เวียนว่ายตายเกิดเกิ ด, เ ก, ดเกิดตายเกิดตายตายเกิดเติดตายอย่างนี้ผลในสุขก็ได้มาพบกับพระราารอรหันต์พระอราหันต์ท่านไปบินนบาดท่านเกิไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมาใส่บาดพอมาใส่บาดพระอ ร, ะ ร, ะราหันต์ท่านก็บอกว่านีน่แหละในครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ผู้หญิงคนนี่แหละที่พระพุทธเจ้าไปมองเห็นแล้ววันนึงคือหมูนางหมนะูที่เกิดที่ ไปบิณฑบาตกับพระอา น, นุ์พอนางได้ยินเท่านั้นแหละฉลดสังเวชปุ๊บจิตใจม้วนเข้ามาหาตัวเองเลยพอมาหาตัวเองปุ๊บรู้อดีตแต่ชาติตัวเองเออแบบเป็นอัตโนมัติเลยมันนั่นแหลรู้อดีตแต่ชาติตัวเองบุปผกรรมของตนเองนางก็โอเกิดฉลดสังเวชใจท่านเป็น เมียอัคคมเหสีไอแอกค่าบอกเป็นผู้มีอัญะกินในชนบทในถิ่นนั้นจากนั้นเท่ากับลาลาสามีออกไปบวชจากนั้นก็ท่านบำเพ็ญได้สำเร็จเป็นพระรหันต์เป็นภิกษุณีจากนั้นท่านก็บอกวันนี้นะข้าพปเจ้าเเกิดมาในภพนั้นชัดนั้นชัดนั้นชัดนั้นท่าทันระลึกชาติผนหลังได้อีกต่างหาก นี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกยืนยันกันมาตลอดในพระไตรปิฎกแปลว่าพูดกันในเรื่องนี้ทีเดียวเลยเพราะฉนั้นพวกเราจะยืนยันอย่างไงพิจารณาอย่างไรว่าตายแล้วเกิดและตายแล้วสู์ก็เป็นความสงสัยในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายอันนี้เป็นความสงสัยแต่ความจริงนั้ น, นต้องพิสูจน์อย่างไรนะ หลักทำคําสอนท่านบอกบทพิสูจน์ให้เสร็จวิธีพิสูจน์พลังขอให้พวกเราทุกๆคนนะถึงจะเชื่อเลยไม่เชื่อยังไงก็อย่าเพิ่งปฏิเสธสรุปแล้วให้เชื่อไปก่อนให้ฟังไว้ก่อนแต่ทำเป็นใครๆไปยืนอยู่ในทางสองแผงไว้ก่อนถ้าเราปฏิเสธไปเลยก็บ่กปิดหูปิดตาแต่ถ้าว่าเราเชื่อไปเสเลย ก็ยังไม่ได้พิเคราะห์ยังไม่ได้พิสูจน์จะไปเชื่อได้ยังไงเชื่อง่ายง่ายแต่เราเมื่อเราไปยืนหยุดจุดอยู่แล้วก็ต้องพิเคราะห์พิสูจน์เสร็จแล้วเราจึงค่อยวางใจเชื่อหรือไม่เชื่อต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนซะก่อนแต่จะไปฟังกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือจะไปฟังแบบ ออกมาแล้วกัมัวเมียก็ตัดสินใจทีเดียวอันนั้นแปลว่าตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนนะให้ฟังและศึกษาและให้ปฏิบัติพวกเราจะรู้จะรู้ได้ด้วยตนเองหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธรรมะปัจจตังผู้ปฏิบัติจะรู้ได้จะเห็นได้ด้วยตนเองในเมื่อลงมือปฏิบัติ รับพรอ น, อนุโมทนาให้พร